อากินเจนังอนาดานังเอตังดีฟังอนาปรังติบัดนี้อาตมภาพจะได้กล่าวท ร, รมีคาถาพันนาศาสนธรรมคำสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา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 เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งสมมุติฐานไว้มีหลายเทศกาลวันเข้าพรรษาวันสาดวันออกพรรษาในวันปีใหม่ ว, วันสงกรานต์หรือวันอะไร ที่กำหนดไว้ก็เพื่อให้เกิดความพร้อมเปรียงกันและเตือนกระแสจิตกระแสใจของเราให้หันมาสู่กระแสบุญกุศลนั้นทั้งหลายหน่วยงานของเราที่เรียกว่าทีโอทีนั้นเป็นงานใหญ่หน่วยงานที่ใหญ่หรือองค์กรของรัฐที่ใหญ่มาก เพราะมีพนักงานหลายพันท่านอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ทั่วประเทศแล้วก็ได้เมีผู้ที่ฉลาดจัดให้เมีนอกจากจะทำงานในอาชีพของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนอกจากจะเป็นพุทธศาสนิกชน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 ท่านเหล่านั้นล้วนมีความรู้มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัตินำจิตใจวิญญาณของท่านทั้งหลายให้เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาแต่ละองค์ล้วนแต่ชวนไปสวรรค์ไปนินพานให้เกิดสมาธิขั้นสูงต่ อ, ตอไป ก็มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่ออยากจะย้อนกลับมากล่าวย้อนหลังแสดงธรรมย้อนหลังเพื่อเรียบเรียงข้อควรจำควรรู้ควรเคิดที่เราผ่านพ้นมาซสียก่อนเพราการผ่านพ้นมาของพวกเรานั้นก็มา โดยลำดับล้วนแต่ฟวงกระแสธรรมเ ท, ทเป็นเบื้องบนเบื้องสูงอาจจะลืมเข้าใจประเพณีรัตธรรมหรือความหมายบางอย่างระยะนั้นจะมาเทศส่วนมากจะขอกล่าวทุกทุกแห่งทุกสถาบันเทนิมนก็รับทราบว่าทุกท่านสนใจ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 ปกติของคนเรานั้นอย่างน้อยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์คือความไม่ผิดห้าอย่างหรือมีปกติห้าอย่างทีน้าไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติมีประจาโลกมาแล้วหลายศาสตร์หลายยุคหลาย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 กายผู้ตั้งใจบวชจนกระทั่งศนสองร้อยยี่สิบเจ็ดกับศนสามร้อยสิเอ็จของวิสุนีนั่นคือผู้ต้องการละเอียดอ่อนมากขึ้นมากขึ้นส่วนอย่างน้อยท่านทั้งหลายอย่านึกว่าท่านไม่จำเป็นที่จะมีสศนห้าเพราะอยู่เป็นกระดัวิสัยที่แท้มีหรือไม่มีแต่ว่า สภาพแห่งความเป็นมนุษย์จะต้องมีปกติห้าอย่างอย่างน้อยอยู่พระองค์จึงถือว่าอย่างที่มีการประกาศหมู่บ้านศิลห้าศิลห้ารายนีู้้ประกาศไปแต่ที่แท้เป็นพื้นฐานมานานแล้วถ่านทั้งหลายถ้าพูดว่าศีลแปลว่าปกติหรือแปลว่าธรรมดาหรือแปลว่า ความละเอียดอ่อนของมนุษย์อย่างน้อยมนุษย์สัตว์ที่เกิดบนโลกนี้ท่านเรียกว่าติระชาโยนิกำเนิดดิริชานกับมนุษย์เรานั้นเป็นมนุษย์ที่พ้นจากกำเนิดเ่านั้นมาแล้วเทวว่าเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติ สมบัติในความเป็นมนุษย์สวรรค์สมบัติสมบัติในความเป็นสวรรค์นิพพานสมบัติสมบัติสูงสุดคือพระนิพพานมนุษย์สมบัติไม่ได้หมายความถึงว่ามนุษย์ ร, ำรย่ำรวยมีอำนาจวาสนานะมรดกทรัพย์มากก็ถูกต้องไม่เพียดอกนั่นบุญกุศลของเขาส่วนคำว่ามนุษย์สมบัติก็คือมีสมบัติได้เป็นถึงมนุษย์ ปฏิบัติดีทำบุญมากก็มีสมบัติเป็นถึง เ, เทพประบุเทพธิดาบนสวรรค์ปฏิบัติจนหมดกิเลสสวะก็เมนิพานสมบัติเข้าสู่พระนิพพาน ม, มีขั้นมาอย่างเรียบเพราะฉะนั้นคำว่าศีนหะนั่นก็คือปกติของมนุษย์ไม่เรียกว่าศีนก็ได้เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์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 ต้องไม่ลุ่งโลมืดในความรักความโง่แหนในชีวิตครอบครัวของผู้อื่นธรรมดาของมนุษย์ต้องพูดคําสัตย์คาจริงไม่หลอกลวงเป็นแหย่ใส่เสียเครดิตธรรมนาของมนุษย์ต้องมีสติสมบูรณ์ไม่เป็นคนเมาใหม่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูมนุษย์ทั่วโลก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 ไม่เป็นคนที่อาเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลอื่นให้บาดเจ็บแม้กระทั่งตายนี่ก็คือธรรมดานั่นเองโยมรักษาธรรมดาและเราก็มีอยู่แล้วธรรมนานี้อยู่ประเทศไหนชาติใดก็แล้วแต่แต่พระศาสนาของเราท่านยกย่องอย่างนี้เอาท่านจังหลายปกติเนาะ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 หรือฝังเทศที่กำลังาำก็จะเพิ่มพูนกุศลเพิ่มมากจากการบริสุทธิ์แห่งศีลห้าให้เข้าใจอ่ะเนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งภาวนานะยาอนหลังวันนี้ดูซสก่อนให้พิจารณาแล้วจะทำความเข้าใจสักอย่างปกติของคนชาวพุทธทั่วไปมีปกติอย่างน้อยห้าอย่าง คือเสนาปกติของพระเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดแบบใช้ปัญญาให้ยมคิดเดี๋ยวนี้พวกเรามีศิลเสมอกันอยยมกับอาตมาโยมกับพระเอาเถอะขณะนี้ไม่มีใครผิดอะไร โยมก็ไม่ผิดข้อใดข้อหนึ่งผ่านสินห้ามาแล้วพระเองก็ไม่ได้ผิดข้อใดข้อหนึ่งจะพูดแบบชนชั้นปัญญาก็ได้ว่าต้นนี้เราบริสุทธิ์ด้วยสินห้าเท่ากันโดยไม่นับอดีตนะนับนับขณะนี้เป็นต้นปายในหลวงแเราไม่ผิดข้อใดพวกเราไม่สินเสมอกันโยมไม่สินสองรอยี่เจ็ดก็ไม่ผิด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 ให้เกิดปัญญาก็คือว่าจะว่ามีสินส0งร้อยก็ไม่ผิดเราไม่มีข้อใดข้อหนึ่งผิดจากอัตมาอัตมาก็ไม่มีข้อใดผิดจากโยมในขณะนี้เนาะล้วพูดขณะเอื่นไม่ว่านี่คือความคิดที่ท่านทั้งหลายปวนพิจารณาเพราะนั้นจึงต้องอย่างน้อยจะฟังเทศฟังธรรมภาวนาหรือจะทำบุญต่อ ล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเชน้าบุญกุศลนั้นก็พ่อคูณมากขึ้นนั่นเองในประเด็นหนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็อยากจะ ย, ย้อนอธิบายได้กล่าวัาแล้ววันนี้จะพูดย้อนอาญาติโยมเอาฟังเอ า, เอ า, เอาข้อคิดข้อธรรมแล้วก็ข้อเปรียบอุปมาต่างๆ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 ถ้าตำเนียมเดิมของไทยเขมยนล่าอะไรแต่ใน้ระมาณลังกายอินเดียก็ถือว่าวันที่สิบสามเป็นวันถลงิงศกก็คือว่าขึ้นปีใหม่เราก็ไม่ละระเบียบประเพณีแม้จะถือวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ตามท่านน่งหลายตมาก็คิดคิดไกลเข้าไปเอง พระพุทธเจ้าของเราประโงงเถอจันทรกติยมประสูตเดือนอะไรขึ้นกี่ค่ำขึ้นสิบห้า่ำเดือนหกประสู ต, ตรัสรู้แสดงธรรมพระนิพพานขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นได้ตรัสรู้และบัญญัติคณะสง์ ก็ใช้จันทรคติเดือนแปดแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดให้จำพรรษาสามเดือนสิ้นเดือนสิบเอ็ดให้ออกพรรษาสิ้นเดือนสิบสองให้หมดงานกระถินเมื่อถือจันทรคติตามพระพุทธเจ้าปีใหม่ของเรา ส่งท้ายปีเก่านั้นคือแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองขึ้นปีใหม่ของเราคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งไม่ใช่เดือนสามเดือนสองอย่ามุกราอยอพระพระพุทธองค์ทรงถือจทรกติจทรกตินี้แน่นอนกว่า เคยมมโยมสงสัยบ้างไหมโยมบางคนเขาเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบแปดเป็นวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สี่ปีนะโยมจึงจะมีวันที่ยี่สิบเก้าครั้งหนึ่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบเก้า คนที่เขาเกิดวันที่ยี่สิบเก้าเขาเคยพนานาดีใจหรือไม่ดีใจไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันเกิดของเขาต้องสี่ปีจึงจะมีวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาปันหรือถ้าเขาอยากจะทำบุญทุกปีบุญวันขึ้นปีใหม่อุญวันครบรอบปี ก็จะต้องไม่มีนอกจากสี่ปีครั้งหนึ่งถ้าญาติโยมเคยเคดอย่างนี้บ้างอัตอมาว่าง่ายนิดเดียวเ็ราเรานับถือพุทธศาสนาเต็มอัตราเราก็นับถือจันทรกติตามปพุตธเจ้าสิเราจะไม่วันเกิดทุกปีทุกปีไม่มีขาดนั่นคือถือจันทรคติ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 แาวมหาพรหมมาถามปัญหาพนันกันถ้าใครแพ้อก็ต้องอถูกฆ่าอาบูชาถ้าใครชนะก็ถือว่าชนะไปคำถามว่าต่อราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนตอนเอช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเย็น ข่ากนนอนราศีอยู่ที่ไหนเท้าธรรมบาลเป็นคนฉลาดก็ปวดถามกเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมมาถามเท้าธรรมบาลเท้าธรรมบาลก็ตอบไม่ได้ก็สัญญาอีกเจ็ดวันถ้าตอบมาได้ก็จะถูกกดกติกาที่ว่าต้องฆ่าบูชายัน ธรรมบาลก็ไม่สบายใจคิดไม่ออกแม้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็เลยหนีไปตายดาบหน้าพอหนีไปก็ได้ระหว่างทางก็ไปนอนใต้ต้นตาลารเย็นนกเอินซีถัวเมียมันพูดกันว่าทำยังไงพรุ่งนี้เราจะได้อะไรกินแล้วก็บอกว่านกเอินซี C, ฉลาด นกแต่ก่อนก็พูดไทยได้ถ้าแคมนก็พูดแคมนได้ถ้าอังกฤษก็คงพูดอังกฤษได้แอ น, นี้ไทยเล่าก็ต้องพูดภาษาไทยได้ก็ถามแค่นี้แล้วก็ว่าจะได้กินเนื้อธรรมบาลเพราะแพ้พรหมระพรมอ่ะระพรมก็จะตัดศรีรษะถึงเราจะได้กินเนื้อ แล้วถามยังไงถามว่าเท้าสายค่ำราศีอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้เจ็ดวันแล้วแล้วก็ปลายนกอผู้เมียมาถามว่าแล้วถ้าตอบไปถูกว่ายังไงเอตอบถูกก็เท้าเช้าราศีอยู่ทีอ่อยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่ อ, อก ตอนกลางเคินราศีอยู่ที่เท้าจึงมีการปฏิบัติอตอนเช้าก็ล้างหน้าเพื่อให้มีราสีเดินขึ้นมาก็ล้างหน้าโดยกันทุกวันกลางวันหน้าร้อนอย่างไรต้องอาศัยน้าเย็นหรือผ้าเย็นชุบหน้าชุบอกราศีจึงอยู่ที่อกตอนกลางคินก่อนเข้าห้องนอนสมัยก่อนคงจะ ม, มีรองเท้า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 โลกนี้ทิ้งพรมซีหน้าไม่ได้เมื่อทิ้งไม่ได้ทำยังไงต้องมีผู้ส่งไว้ประเอญพระพรมท่านมีลูกสาวตั้งเจ็ดคนนางสาวอะไรบ้างอะไรบ้างมาอยากจะจารนัยยงสำหรับปีนี้มีลูกสาวชื่ อ, อนางอรสเทวี รากสทเทวเีเป็นผู้ส่งสศีรษะพระพรหมไว้ลูกสาวของพระองค์ก็ส่งไว้อของพระพรหมคนส่งไว้แต่เป็นปริศนาเขาเจเนว่าถ้าเทงไม่ได้เทงไปบนแผน่นดินไฟจะไหม้ ก, กันในศีรษะพระพรหมนะเสียนพระพรหม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 ลูกสาวของท่านทั้งเจ็ดคนจึงเปลี่ยนหน้ากันชื่อต่างๆเยอะแยะทั้งเจ็ดนั่นแหละแต่จาได้ไม่ไม่ตลอดเรารับก็ปีนี้ชื่ออะไรก็แล้วแต่รักสักเทวีทง่งขีสุกรมาอย่างนั้นท่งสุกร่าไปจำตามนั้นยาวมากมายนั่นพวกโหรก็เก่งอัตมาก็อยากจะเปรียบเทียบจบ เปิดศาสนาทำว่าเหตุดังเรือศีสะพรมทิ้งไม่ได้ท่านทั้งหลายพรมในพระพุทธศาสนาก็เคยพรมไิหารสี่อย่างศีสะหนึ่งหน้าหนึ่งเมตตาหน้าสองกรณาหน้าสามมุติตาหน้าสี่อุบเบกขาเมตตากรณามุติตาอุบเบกขา ขาดจากโลกนี้ไม่ได้สนาบใดที่ขาดเมตตากรณาโลกนี้ก็จะไม่เป็นไฟเป็นเฟินแม้แต่คนมีเมตตากรณาเหลืออยู่หลายเปอร์เซนต์คนที่ขาดไม่กี่คนก็เป็นเหตุให้เราลำบากยากเย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะเจริญพรให้ทราบ พ, พรหมวิหารสี่ ทศ่ท่านนึกว่าของง่ายง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ที่แท้มันมีความหมายละเอียดท่านทั้งหลายที่เราเกิดมาอยู่ได้ทุกวันนี้ผู้เป็นพระพรหมที่แท้จริงของเราก็คือบิดามารดาเพราะบิดามารดานั้นท่านมีหน้าครบสี่หนึ่งน่ารักสอง หน้าสงสารสามน่าเอ็นดูเศน่าสม่ำเสมอคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาน่ารักคือเมตตาน่าสงสารคือกระนาน่าเอ็นดูก็เคยมุทิตาเอ็นดูเราดีใจเมื่อเราได้ดีอุเบกขา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 นี่หน้าข้อที่หนึ่งเวลานพระพรมทิ้งไม่ได้พรมวิหารเนี่ยเมตตากรุณาข้อหนึ่งข้อสองในรมในอนนวัตโกวารรมตรีนั้นท่านบอกว่าเป็นธรรมของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องมีพรมวิหารเียแต่พรมวิหารเียนั้นแม้จะธรมธรมดาธรรมดาแต่คนทรงได้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 ก็คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆท่านทั้งหลายท่านมีลูกน้อยเด็กบอยเรียน้องสาวน้องชายาที่กำลังสาเร็จศบได้ที่หนึ่งหรือลูกกำลังสุขสบายเย็นๆทานอาหารเสร็จลูกก็เว่งกอดพ่อครั้งหนึ่งกอดแม่กอดพี่สาวเฮ้ๆฮ้ฮ้ร้อง อหอเราะได้เราก็สงสารเราก็มีความรักเราก็รักว่าลูกออน้อยของเราเขาสบายดีลูกน้อยของเรากำลังมีความสุขลูกน้อยของเรากาลังนี่คือความรักหลั่งไหลมานี่ความรักแต่นี่ความสงสารหรอกก็คล้ายกันนั่นแหละก็เกิดอันนั้นแหละความรักตรงเมื่อลูกเราสุขสบายดังว่า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 แสดงว่ามุติตาคือความพลอยยินดีอันนี้เพื่อป้องกันอันนี้เกิดทุกข์ต่อเราแล้วนะโยมถ้าเราไม่มีมุติตามันก็มีได้เฉพาะคนที่เรารักเราสงสารถ้าคนที่เรารักเราสงสารมีความสาเร็จได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้สุขเราก็สบายใจมุติตาก็เผาด้วย แต่มุติตานี้สําหรับเมื่อบุคคลอื่นที่เป็นเพื่อนและติเป็นคนที่ไม่จะยาิแต่เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมงานถ้าเขาได้ดิบได้ดียกตัวอย่างง่ายง่ายข้าราชการนี้จะมองเห็นง่ายท่านทัง้งหลายหน่วยงานของท่านปีนี้มีพนักงานสามร้อยแล้วเจ็ดแปดสิบคนก็ตามปีนี้หน่วยงานของเราจะได้ ขึ้นสองขั้นเงินเดือนขึ้นสองขั้นเจ็ดแปดตำแหน่งแต่มีคนทํางานด้วยการก็นับเอมากกว่านี้เกินจํานวนงานการของเราเรากำหนดวตวัวเราเนี่แหละจะต้องได้สองขั้นคน น, น้นคนน้นงานไม่เท่าไหร่แต่นี้พอได้ขึ้นมาแล้วไม่ใช่เราและเป็นคนอื่นยิ่งเป็นคนที่เราไม่ชอบด้วย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 ยิ่งคนที่ได้นั้นไม่ตรงกับอ า, อารมณ์หรืออะไรไม่กินเส้นกัะเรามาด้วยแล้วไอ้ความอิจชาก็เกิดขึ้นมุทิตานั้น็จัดความอิจชาความริษยาเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรามุทิตาไม่ได้เราก็ทุกข์สมมติว่าคนที่ว่านี่เขาเป็นคนสาเร็จเป็นคนได้และเผอิญเป็นคนที่เราเกลียดเราก็อิจชาไม่สยอ เราก็นอนเป็นทุกข์อยู่ส่วนเขาดีออกดีใจเลี้ยงอาหารการกินรำบงกันเครื่องคิงสนสะดวกสบายเรามาเป็นทุกข์แทนเขาเรื่องอะไรเห็นชัดหรื อ, อยังพระฉะนั้นพุทธองค์เจนสอนว่าให้ปลูกฝังมุติตาหาเรื่องม า, าพิจารณาเออ บุญของเขาเราก็ไม่บุญในกรรมยังบังอยู่เมื่อบุญของเขาได้เราก็ปล่อยเย็นดีนโมธนากับเขาถ้าจิตหลุดมาอย่างนี้ความทุกข์ก็น้อยอิจฉาก็น้อยความทุกข์ไม่มีแต่ถ้าประเอิญปล่อยให้ความอิจฉาไม่พอใจไม่เย็นดีด้วยไม่มีมุขติตาใครเป็นคนทุกข์อยู่เรานี่นแหละเป็นคนทุกข์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 ของยากนั่นแหละยงเราจะอ้างว่าสมมติว่าเราต้องอยู่กับเมตตากนาเห็นอ ก, อกเห็นใจเพื่อนฝูงเด็กเล็กเด็กน้อยคนตกทุกข์ไดา้ยากก็มีเป็นประจำอยู่แล้วเมตตาเกิดขึ้นที่ใจเอาทนี้เมื่อถึงเหตุการณ์ที่คนที่เรากำลังมีเมตตาได้ประสบความวิบัติ เราต้องอยู่ที่อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางเออกำึงแล้วหรือโทษทถึงแล้วทำใจเป็นกลางจึงไม่ทุกข์เพราะทำใจเป็นกลางไม่ได้จึงทุกข์มันก็ไม่ใช่ง่ายนะอุเบกขานะ่อยวางใจเป็นกลางก็ไปเหมือนกับยาิของเราหรือคนที่เราเคารพนับถือ หรือบิดามันดาอันเป็นที่ตรพของเราท่านป่วยมากถึงขั้นโคม่าแล้วไม่อาจจะรักษาหายแล้วอันนี้เราอุเบกขาไม่ได้มาตลอดแล้วต้องดูแลด้วยความรักความสงสารความนับถือแต่ทีนี้ทำยังไงก็ไม่หายถ้าท่านสามารถทำอุเบกขาได้ทุกขก็น้อย เพราะอุเบกขาไม่ได้จึงทุกร้องห่มร้องไห้ยหยกและเบกขาจึงไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าศัตรูที่เราเกลียดนั้นเนาเบกอุเบกขาง่ายเนี่ยเดียวสาทุโดยสัมปา ย, ยมันอย่างนี้ต่างหากเป็นจิตของคนเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เรารักเราเคารพเคารพใท่านจังหลาย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 อ้ลำเอียงก็ไม่ถึงสี่อย่างห้าอย่างลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโง่นี้ลำเอียงก็มีอยู่อย่างคนที่มีหน้าที่จะให้อะไรใครมันจะต้องมียอมมีเล็กๆน้อยๆลำเอียงมากลำเอียงใหญ่ระหว่างเจ้านายท่านต่อมีลูกน้องเยอะท่านลำเอียงบ้างไหมความลำเอียงนียอมยาก ลําเอียงเพราะรักลาเอียงเพราะกลัวลําเอียงเพราะเกลียดมันไม่อยู่มันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละอ่ามันไ ม, ไม่ไม่มากก็อนออ้อยโยมหรืออย่าอวดนะแตมาอยากจะถามอย่างนีง้โยมถ้ามีใครเอาเงินมาให้โยมคนละหนึ่งอให้หนึ่งแสนบาทโดยสิทธิให้เต็มอัตราหนึ่งแสนบาทแล้วสั่งว่าขอให้คุณช่วย เอาเงินไปแบ่งให้โรงเรียนรัฐานศึกษาใดแห่งใดแห่งหนึ่งแห่งละหนึ่งหมืนแห่งละหนึ่งหมื่นถ้าเป็นโรงเรียนประชาบาลบ้านนอกก็ให้โรงเรียนละหนึ่งมืนสิบโรงอ่าแล้วก็ให้เราเป็นคนเอาไปให้ตามใจชอบโรงเรียนไหนก็แล้วแต่เ้วอยากจะถามโยมดูนิดหน่อยโยมจะให้โรงเรียนไหนอย่าลำเอียง น, นะ อยากแล้วจะให้โรงเรียนไหนแล้วแต่เราสิแล้วแต่ฉันโรงเรียนไหนที่คุ้นเคยกับฉันโรงเรียนไหนที่ฉันชอบฉันรักฉันก็ให้โรงเรียนนั้นในโรงเรียนครูใหญ่มันชอบนินทาเราตัวไปให้มันทำไมลักษณะอย่างนี้เอามาเทียบดูแล้วก็คำว่าจะอวดลมเอียงไม่ลมเอียงก็ยากพอภาภัยแม้แต่ Ờ, บางท่านเราคนนึกว่าท่านยำละเอียงลำเอียงไอ้ที่ว่าพ่อแม่ลำเอียงกับลูกในธรมธรมธรรมดาท่านไม่ลำเอียงดอกคือโดยน้ำใสใจจริงมีลำเอียงก็มีแต่ว่าโดยน้ำใสใจจริงของท่านมีลูกสามคนสี่คนท่านไม่ลำเอียงอยู่คลอดมาท่านก็ดูแลเท่ากันป้อนข้าวป้อนแกงเท่ากันดื่มน้งนมเท่ากัน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 ก็เพราะชีวิตประจาวันข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆสร่งสมมาไม่เสมอกนันี่ต่างหากที่ไม่ได้ส่วนช่วยอบรมกจิตเล็กๆน้อยๆคอยไปบังคับให้มันสงบไปตอนนั้นเลยมันจึงยากยิ่งว่ามันยากง่ายไม่สมาเสมอกันอย่างนี้ต่างหากที่ว่าย้อนมาให้พิจารณาเพื่อทำความเข้าใจใได้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 เรามานึกพระพุทธองค์พระองค์ทรงประกาศประสาทศาสนาอาตมาภาพกระเสือกกระสนไปที่อินเดียอยากจะรู้จะเห็นตั้งแต่สองพันหร้อยสามยมัตมาอายุมากแล้วตัวนันเออไม่ใช่อายุมากอายุน้อยแล้วตวนันที่ว่าอายุยังน้อยเพราะมันหมดไปแล้วแปดสิบสี่ปีมันยังได้ไหมสองสามปีข้างหน้า โยมถามมัตมาหลวงพ่ออายุเท่าไรโยมมัตมาายุยังน้อยหลวงพ่อหลงอายุหรือเปล่าไม่ใช่หลงมันหมดไปแล้วไปจะเีมันยังเท่าไรปุโยมนั่งนณะมัตมานี่อายุยังหลายกว่ามัตมาเพราะหมดยังไม่มากอืมพูดตามหลักสูตรที่แท้จริงบ้างโยมเอาอย่างให้เพื่อความเป็นจริงก็คือ ไปประเทศอินเดียตั้งแต่ศูนย์สามไปไปประมาณตัววันเพประมาณสิบเอ็ดเที่ยวแล้วไปไประชุมไปบวช น, นาคบางเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวก็ไปเห็นพระพุทธศาสนาในขณะนั้นลำบากอย่างยิ่งและเสื่อมสูญอย่างสิ้นเชิงจากประเทศอินเดียแล้วทำไมเอ่ยเกิดที่ประเทศอินเดียจึงเสื่อมสิ้นสูญอย่างสิ้นเชิงนั่นคื อ, อยอมประเทศชาติของเขา จับใจความไม่ได้ทำไมาจับใจความเอาเองว่าเหตุที่ศาสนาเสื่อมจากประเทศอินเดียไม่เหตุสามอย่างหนึ่งการเวลาสองพันหร้อยปีกว่าแล้วการเวลาสองการเมืองสามการศาสนาเองพระสงค์เอง การเวลาก็ธรรมดาการเวลานับพันพันปีอะไรจะอยู่คงที่ได้เอาไม่ต้องอธิบายการเมืองอันนี้สําคัญมากโยมการเมืองเมื่อเจ้าเมือง <c oughs> หรือราชาธิราชในบ้านเมืองเขาเรื่องสายศาสนาใดศาสนานั้นก็ชายโหหิ้วไปเลยเพราะการเมืองหรือราชาธิราชเขาเป็นใหญ่ สนับสนุนศาสนาใดศาสนานั้นก็รุ่งเรืองทตนี้ศาสนาในอินเดียมากมายเยอะแยะลัทธิลทัทธิต่างๆเรียกว่าครูทั้งหกยังมีอยู่ยงลทัทธิที่ไม่นุ่งเสื้อผ้านั้นก็ยังอยู่ถึงทุกวันในยงมีอยู่เพราะนั้นพระองค์ประกาศศาสนาตลอดสี่สห้าปีนั้นไม่ได้เสร็จเรียบร้อยราบภาพเหมือนบางประเทศหรือในชาติแถวที่ไหน พระองค์ต้องต่อสู้หรือแก้ไขต่างๆ น, นานากับลทัทธิต่างๆที่เขาเบียดเบียนบ้างและแม้แต่สาวกของพระองค์เองคือชาวอินเดียอยอมไปพวกชาวแขกนั้นนิสัยใจคอขาวในยากลําบากเหลือเกินพระพุทธองค์เองก็ลําบากในการที่จะยับยั้งไม่ใช่ว่าในในพุทธบริษัทภิกษุ ภิกษุเนวบาสุบาสิกาคนที่นับถือศาสนาเอื่นก็อ้าวตามเรื่องกันไปนั่นธรรมนาต้องเป็นศัตรูกับเราแน่แต่แม้แต่สาวกของพระองค์ในส่วนมากขึ้นมากขึ้นภิกษุเนวมากภิกษุสงฆ์มากพระสงฆ์ในยุคแต่ละยุคแต่ละยุคโยมอย่านึกเลยอจะมาพูดก็กลัวบาปด้วยไม่กลัวด้วยก็พูดตามสัจจะ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 นอกวงเล็บ ก, ก็คือลทัทธิต่างๆการเมืองในวงเล็บคือในวงการพระศาสนาของเราเองและท่านเคยจําพระปางเลัลได้ไหมที่ว่าพระพุทธเจ้าระจำรันษาที่ป่าเมลิงเ ม, เมลิงเมจางอุปถาทนั่นคือพระองค์เอาพระสงฆ์มาอยู่พระสงฆ์จานวนมากในวัดเดียวกันนั่น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 ที่เขามีศรัทธากับพระสุขที่ดีๆภิกษุดีๆแล้วเขาก็มีศรัทธาเสืีอสละอย่างแรงทั้งราชาธิราชและทางอุบาสกอุบาสิกาของพุทธศาสนาไม่ว่าต่างประเทศเวีดากองเออยเดรอในประเทศไทยล้วนแต่เป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์เพียงแต่ผู้ทำรงไว้ประธรรมในัยเพื่อรักษาศรัทธาญาติโยม ถึงกระนั้นก็ยังพลังเผลอโดยรักษาศรัทธาญาติโยมมาอยู่เป็นเหตุให้ญาติโยมเสียศรัทธาไปมาใหม่ไม่ใช่โจงตีโยมพูดแบบปรับทุกกันถือว่าญาติโยมนี้เป็นชนชั้นปัญญาอาจจะมาแบ่งออกชั้นศรัทธาได้แต่เชื่อ เชื่อทำบุญใดบุญทำบาปได้บาปทำบุญไปสวนทำบาปตกนรกอย่างย่ายายทั่วๆ่วไปในประเทศเชื่อแค่นี้ก็พอท่านกลัวบาปและอยากได้บุญก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะตั้งโยส่วนพวกเราท่านทั้งหลายขนาดนี้อตาตมาถือว่าเป็นชนชั้นปัญญาอตาตมาจึงพูดอย่างนี้ว่า เป็นชนที่คิดด้วยปัญญาไม่ทำบุญได้ไหมทำอย่างไรจรึงแะได้บุญได้กุศลพระสงฆ์องค์ไหนบ้าง ที่เป็นผู้เดินแนวทางที่ถูกต้องตามพระธรรมมาเป็นนยตามกระแสธรรมเปนนยองค์ไหนบ้างที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่โจมตีแต่ว่าโยมรับว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชั้นปัญญาเพราะนั้นพระศาสนาจะอยู่ได้ต้องอาศัยภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาเดี๋ยวนี้ญาติโยมมาตั้งชมรมนั้นคือช่วยเหลือพระสงฆ์เอาเฉพาะพระสงฆ์ไปแย่รอดโยม ต้องเอาญาติโยมที่เข้าใจหลักธรรมเข้าใจหลักวินัยช่วยกันคำจูชื่นชื่นยกย่องซึ่งกันและกันแนะนำซึ่งกันและกันชาตนาเราจึงจะอยู่ได้บัด น, นี้เสื่อมหมดทั่วโลกแล้วก็มายังเหลืออยู่ที่ประเทศไทยแดนรรมแดนทองเพราะนั้นท่านทัน้งหลายบาสุบสิกาวันนี้ในสํานักงานนี้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่ง ที่ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต้องการปฏิบัติรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ยินดีแค่ทำบุญบริจาคทานถวายของ หากแต่ว่าต้องการประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตของตนให้เข้าใจลึกซึ้งลึกซึ้งจนเข้าสู่สมาธิปัญญาอาราธนาครูบาอาจารย์ล้วนแต่วัดป่าวัดประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็มาแสดงธรรมโดยตลอดเพราะนั้นที่ตมาภาพพูดอย่างนี้เป็นการพูดประปรุงพูดย้อนหลังหรือพูดอะไรเพื่อเป็นเหตุเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน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 เพื่ อ, อย่างพระพุทธศาสนาให้จิรังยั่งยืนในการต่อไปทำเมกถาพอสมควรแก่เวลาได้วังก็เมตด้วยปริการเฉลิมสาธู